ก็ได้มีการเขียนการเจ้ารึกคําสอนในศาสนานั้นๆไว้เมื่อโลกเจริญขึ้นถึงกับมีการพิมพ์หนังสือเป็นเล่มๆได้คำภี์ศาสนาเหล่านั้นก็มีผู้พิมพ์เป็นเล่มขึ้นโดยลําดับพระไตรปิฎกเป็นคำภีร์หรือตําราทางพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกับไตรเวทที่เป็นคำภีร์ของศาสนาพราหมณ์ไบเบิลของศาสนาคริสต์อันกุรอาน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 ท่นได้ขอพอรหรือในหนึ่งคือเงื่อนไขแปประการจากพระพุทธเจ้าเป็นเงื่อนไขฝ่ายปฏิเสธสข้อเงื่อนไขฝ่ายขอร้องสีข้อคือเงื่อนไขฝ่ายปฏิเสธ 1. นถ้าพระผู้มีพระภาคจักไม่ประทานจีวร อ, อันประณีตที่ได้แล้วแก่ข้าพระองค์ 2. อถ้าพระผู้มีพระภาค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 พระผู้มีพระภาคประทับนั่งอยู่กลางแจ้งจนดึกจึงเสด็จเข้าสู่วิหารแม้พระสนะกุติกันนะก็นั่งอยู่กลางแจ้งจนดึกจึงเข้าสู่วิหารครั้นเวลาใกล้รุง่งพระพุทธเจ้าจึงตรัสเชิญให้พระสนะกล่าวธรรมะซึ่งท่านได้กล่าวสูตรถึงสิบหกสูตรเมื่อจบแล้วพระผู้มีพระภาคทรงอนุโมทนาสรนเสริญความทรงจำ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 ถึงกับมีครูอาจารย์กันเป็นสายๆเช่นสายวินัยดังจะกล่าวข้างหน้าพระมาหากัสสปะเกี่ยวข้องกับพระไตรปิฎกอย่างไรพระมาหากัสสปะเป็นผู้บวชเมื่อสูงอายุท่านพยายามปฏิบัติตนในทางเคร่งครัดแม้จะลำบากบ้างก็แสดงความพอใจว่า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 คือทําตัวเป็นแบบอย่างเมื่อพระศาสดาบริขินิพพานแล้วท่านได้เป็นหัวหน้าชักชวนพระสงฆ์ให้ทําสังขยานาคือร้อยกรองหรือจัดระเบียบพระธรรมวินัยนับว่าท่านเป็นผู้มีส่วนสําคัญยิ่งในการทําให้เกิดพระไตรปิฎกอันหนึง่งในการทําสังขยานาครั้งที่หนึ่งซึ่งท่านชักชวนให้ทําขึ้นนั้นท่านเอง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 ตรัสบอกพระจุนทะแนะให้รวบรวมธรรมภาสิตของพระองค์และทำสังคยาคือจัดระเบียบทั้งโดยอัฏฐและพยัญชนะเพื่อให้พระมรรจันต์ตั้งมั่นยั่งยืนสืบไปพระพุทธภาสิตที่แนะนําให้รวบรวมพุทธวจนะร้อยกรองจัดระเบียบหมวดหมูน่นี้ถือได้ว่าเป็นเริ่มต้นแห่งการแนะนําเพื่อให้เกิดประตรายปิดกดังที่เป็นอยู่ทุกวันนี้หมายเหตุ อัฐะคือเนื้อหาใจความสําคัญที่ขยายแบบละเอียดและตรงความมุ่งหมายที่ต้องการสื่อถึงส่วนพยัญชนะคือสัญลักษณ์ตัวอักษรชื่อเรียกที่ใช้แทนความหมายเบื้องต้นของสิ่งต่างๆพระสาริบุตรแนะนําให้ร้อยกรองพระธรรมวินัยในสมัยเดียวกันนั้นและบ่าวรบเรื่องเดียวกันคือเรื่องสาวก ข, ของนิครนนาตาบุตรแตกกัน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 หมวดสองหมวดสจนถึงหมวดสิบซึ่งพระผู้มีพระภาคได้ทรงรับรองว่าข้อคิดและธรรมะที่แสดงนี้ถูกต้องหลักฐานในพระไตรปิฎกตอนนี้ม่ได้แสดงว่าพระสาวรีบุตรเสนอขึ้นก่อนหรือพระพุทธเจ้าตรัสแก่พระจุนท่าก่อนแต่รวมความแล้วก็ต้องถือว่าทั้งพระพุทธเจ้าและพระสาวรีบุตร